กันดานห่างไกลเพียงไหนเส้นทางมิบางเพียงดใดไกลแสนไกลพ่อไปทุกทีดำริโครงการพระราชทานชาวประชาชีหวังให้อยู่ดีกินดีพอทรงนี้แต่ความห่วงยาญ่ บางเรื่องรองพ่อมองปัญหาทะเลนุนน้ำเนื้อหลากมาทรงเมตตาแก้ปัญห า, หารถติดในเมืองทุกทุกเรื่องพอ่อทรงแก้ไขทุกครั้งที่ชาติมีภัยวิกฤตผ่านได้ด้วยพระบารมีพอคือดวงใจ ของไทยทั้งศิ้นพ่อของแผ่นดินจะหาชาติใดดังไทยไม่มีอยู่มุมเมืองไหนยพรอ้อมใจจงรักภักดีเทิดวงองพระจักรีรวมสัตดุรหาราชาา ไทยคนไทยภูมิใจพ่อนาศชาวโลกล้วนได้ประจักษ์พ่อคือหลักชาวไทยไพร่ฟ้าพ่อคือดวงใจคือหลักชัยของชาวประชาถวายบังคมทั่วนาองค์มหาราชา ทรงพระเจริ